ครๆวงดนตรีลูกทุ่งเนาะ <c oughs> ไนไหนเจอหน้าเก่าๆเหมือนมากความจริงพวกเราไม่ต้องมาฟังหลวงพ่อก็ได้นะ <c oughs> พูดแต่ละวันเหมือนๆกันพร <c oughs> าะธรรมะจริงๆก็ของเก่า <c oughs> มันคนก็สงสัย <c oughs> เคยมีคนบนกับหลวงพ่อนะ <c oughs> ว่าฟังหลวงพ่อเมื่อห้าปีก่อน ถ้ามาฟังปีนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมอีกนะจริงๆธรรมะมันธรรมะของเก่าเนี่ยหลวงปู่เทศท่านว่าอย่างนั้นนะถ้ากิเลสมันก็ของเก่าธรรมะก็ของเก่านั่นแหละของมีมาแต่ดั้งเดิมธรรมะไม่ใช่ของใหม่ๆอะไรกิเลสก็ของเก่านะราคาตัสาโมหะครอบงำตัดโลกอยู่กครอบงำอยู่อย่างนี้แหละเวลามมกิเลสจะหลอกเราก็หลอกซ้ำๆซ้ำๆ แต่เราก็ถูกหลอก ต, ตําตากอยู่อย่างนั้นแล้วก็มาเรียนธรรมะธรรมะก็มีสองข้างข้างที่เป็นกูศนกับข้างที่เป็นอกูศลก็ศึกษ า, ากูศลและอกศูศนเนี่ยอยู่ที่ใจเราเนี่เองดัถ้าคนไหนสามารถปฏิบัติธรรมนะสามารถมีสติรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองเจะได้เห็นธรรมะทั้งสองข้าง ธรรมะที่เป็นกูศนกับธรรมะที่เป็นอกูศนส่วนใหญ่จิตของพวกเราอกูศนจะเกิดมากกูสนจะเกิดน้อยอันนี้เป็นธรรมชาตินะธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านสื่อสอนบอกว่ามนุษย์ส่วนมากพอตายแล้วจะไปอบายคนส่วนใหญ่ตายแล้วจะไปอบายเพราะอกูสนมันมากกูสนไม่ค่อยมีโดยเฉพาะกูสนที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ย ถ้าไม่ได้ฟังคําของพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่มีอย่างจริงๆมันมีแต่โลคียะกุสน์ุสนธรรมดาธรรมดาตถาราเวียนตายเวียนเกิดไปในภพภูมิที่ดีมีความสุขส่วนคุสลที่จะประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเนี่ยต้องมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาถึงจะมีการอบรมสัง่งสอนกันสำหรับอาุสน์นั้นก็มีลองโลกอยู่แล้วนะอหัวใจสัตว์ทั้งหลาย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 โลงเอออืมสงสัยมันไม่ชอบเสี่ยงหลวงพ่อเพราะคนอื่นต้อโหลัวๆแล้วมันชับนะหลวงพ่อพูดแล้วมันไม่ยอมให้พูดธรรมะหายไปหลายกันละ <c oughs> ถ้าธรรมะนะหลวงพ่อเวลาพูดธรรมะเนี่ยพูดออกมาจากใจจิตใจมันแสดงคำออกมากระทบปั๊บเลยก็เปลี่ยนเรื่องไปลนะ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 ตรงเนื้ดีเหนือชั่วเนี่ยไม่ใช่ทําให้เราเป็นชั่วได้นะดียังไม่เอาเลยเนี่ยบ้าแต่จะเอาชั่วเลยนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยเราฝึกไปเป็นลำดับลําดับเบื้องต้ น, นรักษาสีไว้ก่อนมีสีห้าอย่างต่ำไม่ทาชั่วต่อมาเราก็มาหาัดทำความดีทําทานซื้อศีลหัดทําความสงบจิตใจจิตใจของคนเราเมีแต่ความเร่าร้อนกุ้งต้านกุ้งต้านจะเละ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 ในวิธีปฏิบัติทำเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อความคนทุกข์เราก็ได้เจ้าสอนเรื่องความคนทุกข์เอาไว้แท้จริงแล้วทุกคนปรารถนาความคนทุกข์สัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรก็อยากคนทุกข์เหมือนกันหมดทุกตัวนี้วิธีหาความคนทุกข์ของคนทั่วไปหรือของตัดทั้งหลายก็คือหาอารมณ์ที่เพื่อสื่อพอใจถ้าได้อารมณ์ที่พอใจมาได้อยู่ได้กินนะได้สืบพันได้อะไรอย่างนี้มีความสุข เปความสุขอย่างโลกโลกความสุขอย่างนี้เอาแน่นอนไม่ได้เป็นความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นอนาศัยคนอื่นความสุขของเราไปฝากไปกับคนอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขถ้าเราตัดท่าจากคนนี้เราไม่มีความสุขที่เราไม่ได้ขึ้นตัวเองต้องงอเขาต้องชัต้องอาศัยสิ่งภายน อ, อกมากความสุขก็แบบพึ่งพาสิ่งภายนอกเอาแน่เอานอนไม่ได้ พวกเราผู้มีสติปัญญามากขึ้นเราก็มาหาความสุขด้วยการฝึกจิตฝึกใจของเราพวกชาววัดทั้งหลายมาฝึกจิตฝึกใจให้มีความสุขให้มีความสงบนี่จิตใจนี้เป็นของไม่แน่นอนจิตใจเป็นของไม่เที่ยงวันนี้เราฝึกไว้สงบแล้วพรุ่งนี้มันก็ปูนตาหยิบดัการหาความสุขด้วยการฝึกจิตฝึกใจให้มันสุขให้มันสงบมันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกัน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 อันนี้กระทบขึ้นมาก็ยินดีอันนี้กระทบขึ้นมายินไร้าต้องคอยรักษาจิตใจเรื่อยๆไปเป็นภาระพวกหนึ่งก็หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ด้วยการเข้าฌานนะเพ่งเพ่งเข้าไปในความว่างในช่องว่างหลายคนชอบทำกรมฐานไปเพ่งช่องว่าพอเพ่งไปเพ่งไปจิตเข้าไปสู่อรูปฌานไม่มีใครเข้าไปกระทบได้ใจก็เหมือนนิ่งๆอยู่ไม่กระเทือนแต่พอนานๆไปก็เสื่อมออกม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 ท่านลยหันมาเรียนรู้กายรู้ใจเรียนลงมาที่กายเรียนลงมาที่ใจวันใดแจ่มแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าวันใดขืนกใจขืนใจให้กับโลกได้จิตใจนี้จะเป็นอิสระขึ้นมาเอาเนี้ยจิตจะไม่หลงความปรุงแต่งทั้งสามแบบจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งนั่นแหละเป็จิตที่มีความสุขที่สุดจิตที่ไม่พ้นความปรุงแต่งดูทุกวันนี้เราต้องวิ่งเล่าๆไปเรื่อยๆนะ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 อารมณ์อีกอย่างหนึ่งมากระทบความรู้สึกก็เปลี่ยนไปอีกใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันถ้าเฝ้าดูอย่างงี้ไม่นานเราจะเห็นในใจของเราไม่เทีย่ยงพวกเราหลายคนที่มาฟังหลวงพ่อสองสามครั้งเรียนกับหลวงพ่ออย่างน้อยต้องเรียนก็สองสามครั้งนะถึงจะพอรู้เรื่องถ้าเรียนสักพักหนึ่งเราจะพบเลยเราจะเห็นสภาวะของใจใจนี้ทํางานตลอดเวลาใจนี้ไม่เคยหยุดเลยทํางานทั้งวันทํางานทั้งคืน ใจนี้เป็นของที่บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่เราเริ่มเห็นความจริงตรงนี้พอ เ, เห็นมากเข้ามากเข้าซ้ํซาแล้วซ้ำอีกมันแล้วลวันเล่ามันจะไปลบล้างความรู้สึกเดิมๆออกไปความรู้สึกเดิมๆก็คือเรารู้สึกว่าจิตใจนี้คือตัวเราที่แท้จริงพวกเรารู้สึกไหมทีแรกเรารู้สึกว่าก้อนเนี้ยกายกใจนี้คือตัวเรานะแต่พอหัดภาวนามากเข้ามากเข้าเริ่มจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเหรอก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 ที่ผ่านมาแล้วทุกอย่างนะที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยของโชคเก่าทั้งหมดตัวเราที่แท้จริงไม่มีแต่ท่านจิตใจนี้ก็เกิดดับเกิดกับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงผู้ใดเห็นว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงใจจะตั้งมั่นขึ้นมาจะรวมเข้ามาแล้วก็มาตัดสัญญอดัดครั้งที่หนึ่งอสวัยกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มจิตอยู่ก็แหวกออกโชคเกา่าโชคขนาดเท่นั้นนะ จิตใจก็เป็นอิสระขึ้นมาสองสามขณะแว๊บๆบนะแวบ๊บเดียวอสวกีเด ก, ก็ห่อคุ้มใจอีกถ้าใครฝึกภาวนาในช่วงนึินจะเห็นตัวนี้ยว่าจิตใจของเราถูกห่อหุ้มไว้ถูกกีเดกห่อคุ้มไว้มันมองเห็นเลยนะมันเป็นสภาวะธรรมาจิตใจเราไม่เป็นอิสระหรอกจิตใจเราถูกอะไรบางอย่างห่อคุ้มไว้เหมือนเยื่อใสๆแต่ไม่ใช่เห็นด้วยตานะมันเป็นความรู้สึก เรารู้สึกที่ใจเราว่าใจเราไม่เป็นอิสระจริงถูกบางสิ่งบางอย่างห่อพุ้มมาไว้ในขณะที่มันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสิ่งห่อพุ่มนี้ก็แหวกออกทีเนี่ยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเสกเทียบบอกว่าเหมือนเราขว้างก้อนหินลงในบ่อที่มีแหน่วางไปเรื่อยๆคือเจริญสติไปเรื่อยๆพอจี๋จี๋จีก็แหนนี้แหวกออกแหวกออกไปแล้วเดี๋ยวก็มาปิดอีก ต้องแหวกถึงสีครั้งนะถึงจะแหวกขาดไม่ไม่กลับมาผิดอีกหนะ้าที่เราก็ต้องรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเข้า ร, รู้ไปซ้ำแล้วซ้ำอีกการปฏิบัติไม่เกินกายใจนี้ออกไปรู้อยู่ที่กายที่ใจจนกระทั่งถอบถอนความเห็นผิดว่ากายกใจเป็นตัวเราได้ได้เป็นพระโสดา บ, บันพระโสดา บ, บันเนี่ยศีลบริบูรณ์ลก็มีสติ ด, ดีศีลบริบูรณ์ได้ก็สติดีนะ หนึ่งคนด่าโกรธปั๊บเนี่ยสติเห็นนะความโกรธมันผุดขึ้นมาความโกรธครอบงาใจไม่ได้ก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครศีลมันเกิดเองเห็นสาวสวยความโลภมันเกิดราคฆามันเกิดรู้ทันสติรู้ทันนะรักฆาครอบงาใจไม่ได้ก็ไม่ทําผิดศีลข้อสามนี่ศีลมันเกิดจากการมีสติเห็อย่างนี้เรียกว่าอินรียสังวรศี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 ค่ายๆกับรู้ทันแล้วว่าทรัพสมบัติหรืออย่างโลกงา่อนจีวรเ น, นี่ยรู้แล้วว่าไปขอยืม้ามาใช้แต่หวงไม่คืนนะพระโสดาบันรู้นะว่ากายนีนใจนี้เป็นของยืมโลกมาใช้แต่ห่วงไม่ยอมคืนรู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ห่วงเอาไว้นี่พออ่านเจริญสติมากเข้ามากเข้าได้เป็นพระสกิทาคา พระสกิทาคาเนี่ยท่านบอกว่ามีศีลบริบูรณ์ก็บริบูรณ์มาตั้งแต่พระโสดามีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยแม้สกิทาคาอยังปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราจะปัญญาขนาดไหนหรือพระโสดานะมีสมาธิเล็กน้อยแล้วพวกเราจะสมาธิขนาดไหนทําไมพระสกิทาคามีสมาธิปานกลางไปถึงใจท่านเนี่ยแชลับน้อยลงแชลับสั้น ที่ฉลาแล้วแว บ, บรู้สึกแว บ, บรู้สึกเพราสติเร็วนั่นเองพราสติว่องไวแม้สมาธิก็มาจากเพราะมีสติว่องไวใจเผลอไปหลงไปตามกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแปหรือโหลงไปในโลกของความคิดจะรู้เร็วพรรู้เร็วคือกิเลสเบาบางเพราะว่ากิเลสไม่ทันงอกงามเป็นกิเลสตัวใหญ่ท่านถึงบอกว่าพระเศริฐาคากิเลสเบาหวาน นี่เรามาตามรู้กายตามรู้ใจต่ออีกวันหนึ่งเห็นความจริงถ้าจิตเราโฉบข้างนอกไปถ้าจิตเราหลงอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นไปหรือทางกายไปหรือหลงไปคิดในเรื่องที่เพลิดเพลินก่อนใจทั้งหลายจิตใจนียจะเสียความเป็นตกติเสียความเป็นธรรมดาจิตใจจะกัดแหว่งไม่สบาย ใจิตใจที่แข่งออกไปข้างนอกตามอารมณ์ตามกิเลสไปข้างนอกไม่มีความสุขไม่มีความสบายแต่ใจิตใจที่สงบใจิตใจที่ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นี้มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายที่เป็นปัญญาขั้นกลางนะคือเริ่มเห็นอริยสัจคลั่งไคล์เห็นว่าถ้ามีปัญหามีความอยากอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รส อ, อยากได้สัมผัสนะอยากคิดแต่เรื่องเพลิเพลินพอใจ จิตใจจะไม่มีความสุขจิตใจจะไม่มีความสงบเมื่อไร่ไม่มีความอยากจิตใจไม่อยากไม่วิ่งออกไปยึดอารมณ์ภาย น, นอกหรือยึดหลงไหลอยู่ในความคิดของตัวเองจิตใจจะตั้งมั่นเด่นดวงมีแต่ความสุขล้วนหเห็นอย่างนี้เห็นว่าสมูทไทยนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุด๊บรู้อย่างนี้นะตอนรู้ยกตรงนี้ลงมาเนี่ยเรียกว่ามีปัญญาขั้นกลางสมาธิจะบริบูรณ์ขึ้นมา เขาถึสอนบอกว่าถ้าอาณาคามีนะศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางปัญญาขั้นกลางคือรู้เลยถ้าอยากเมื่อไหร่ถ้ายึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นรู้ว่าปัญหาหรือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เมื่อทํามาถึงตรงนี้จะรักจะหวงแหนจิตผู้รู้นี่มากที่สุดเลยเพราะรู้ว่าถ้าเราอยู่กับเติดจิตผู้รู้เนี่ยความทุกข์จะไม่คล่องแวก ดังนัจิตจะมีสองชนิดคือจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงจิตผู้รู้นี่มีแต่ความสุขจิตผู้หลงตามอารมณ์ตามกิเลสจะมีแต่ความทุกข์จะรู้สึกก็มีสองอย่างดันั้นจะหวงแหนถนอมรักษาจิตผู้รู้หวงที่สุดส่วนมากผู้ปฏิบัติจะมาจบลงตรงนี้ไปต่อไม่ได้ละพอพอใจละคล้ายๆคนคนหนึ่งอยากจะเจอเมืองทองอยากได้เมืองทองคําเดินไปเจอยาวราชนะพอใจละ ไม่ไปไหนแล้วเอาเป้ามาตรงนี้แหละไม่ไปหาเหมืองละผู้ปฏิบัติจำนวนมากก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้พอตายไปก็ไปอยู่สุสุมารโลกไปเป็นทัพลมแต่รมพวกนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลับมาหยิบเจออีกแล้วเป็นนิพพานในพรหมโลกนี่ถ้าเราปฏิบัติต่อไปเนี่ยสติปัญญามันจะบีบวงแคบเข้ามาเพราะแล้วจิตใจมันเด่นดวงขึ้นมาแล้ว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 ถ้าตรงนี้ยังยิ่งนอนใจไม่ได้ยังยิงอาศัย จ, จิตผู้รู้อยู่ยงิ่งนอนใจไม่ได้ยังไม่พ้นทุกข์อยู่หรือเราถ้าพวกเราช่างสังเกตเราก็จะรู้ว่าจิตเรายังมีสองอย่างอยู่นะมีจิตผู้รู้ที่มีความสุขกับจิตผู้หลงที่ไม่มีความสุขตราใดที่ยังมีสองเนี่ยไม่ใช่ของจริงจำไว้นะตราใดที่ยังเป็นสองไม่ใช่ของจริงหรอก ย, ยังหลงอยู่กับสุขกับทุกข์กับดีกับชั่วนะ จะสงบคลุ้งซ่านกับภายในภายนอกหยาบละเอียดอะไรๆที่ยังเป็นคู่คู่เนี่ยงานยังไม่เสร็จแน่นอนถ้างานเสร็จจะเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยเป็นสีตีจิตจิตก็เป็นหนึ่งนะสีติธรรมธรรมก็เป็นหนึ่งที่หลวงปู่มั่นท่านใช้นี่ถ้าเราไม่นิ่งนอนใจเราก็คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราต่อไปเสร็จแล้วมันจะทนสติปัญญาเราไม่ได้หรอกตัวผู้รู้เนี่ย บางท่านจะเห็นว no ่ามันไม่เที่ยงมันผ่องสอยู่ผ่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนถึงช่วงหนึ่งมันหมองได้เออมันไม่เที่ยงเห็นบางท่านเห็นว่าไม่เที่ยงท่านปล่อยวางได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นประเภทหลุดพ้นในประเภทที่เรียกว่าอนิมิตต์ิโมขเห็นแต่ว่ามันเกิดระดับเกิดระดับผู้ตัวผู้รู้ปรากฏดับบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์พวกที่ทรงสมาธิมากๆจะเห็นมันเป็นทุกข์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 แต่เมื่อใดสติปัญญาแก่รอบตัวจิตเองนั่นแหละตัวทุกข์ล้วนๆจะปล่อยวางเนี่ยลงคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างพวกเราแค่เห็นร่างกายเรายังเห็นว่าร่างกายทุกบ้างสุกบ้างเลยอย่าไว้แต่จิตใจเลจิตใจยังไงก็เห็นว่าทุกบ้างสุกบ้างทุกทุกของเราอยู่ที่ว่าได้อย่างที่อยากไหมถ้าไม่ได้อย่างที่อยากก็ทุกข์หถ้าได้อย่างที่อยากก็ไม่ทุกข์ ทุกของเราที่พวกเรารู้จักคือทุกจากความไม่สมอยากส่วนทุกของพระนาคามีที่ท่านรู้เนี่ยทุกเพราะความอยากเห็นว่าถ้าอยากเราทุกนะของเราเห็นได้แค่ว่าถ้าไม่สมอยากเราทุกพ้านาคามีเนี่ยเห็นว่าแค่มีความอยากก็ทุกแล้วก็ยังมีสองอย่างมีทุกับทุกที่อยากกับไม่อยากพระสัญญาเห็นแจ้งจริงๆเลยมีแต่ทุกล้วน จะอยากหรือไม่อยากก็ทุกข์ล่ะทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่อยากแล้วทุกข์อยู่ที่ตัวขันเองเป็นตัวทุกข์อย่างนี้เรียกว่าตู้ทุกข์กแจ่แจ้งนะจิตจะปล่อยวางเลยปล่อยวางจิตนี้บางท่านก็เห็นว่าจิตนี้เป็นสุญญาตาเป็นความบ้างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนไม่เกี่ยวอะไรกับเราคืนยอมคืนยอมสลัดคืนให้โลกเข้ไปพวกนี้เรียกว่าสุญญาตาวิโมกข์พวกกัญญากราจะหลุดคนด้วยการเห็นจิตแต่นี้ไม่ใช่ตัวเรา ปล่อยออกไปแลว้ววางออกไปในทางที่จิตดําเนินไปสู่ความหลุดพ้นนี่มีสามช่องในขั้นสุดท้ายเบื้องต้นของเราเนี่ยนะพอรู้กายพอรู้ใจแล้พอรู้กายเต็มที่นะมันจะปล่อยวางกายมันจะย้อนทวนเข้าหาธาตรู้เจอจิตอพอรู้จิตเต็มที่เนี่ยว่าเป็นอนิจจังหรือเป็นทุกข์ขังหรือเป็นอนัตตาอะไร น, นึงมันแค่ปล่อยวางจิตพอปล่อยวางหมดทั้งกายหมดทั้งจิตนะจิตใจใก็จะพ้นจากความทุกข์จริงๆ มันจัดขันนิพพานก็คือการที่จิตมันปล่าออกจากขันมันสํารองออกจากขันหลุดออกจากขันได้แต่ไม่ใช่หลุดออกไปนอกตัวน ะ, ะภาวนาไปแนละ้วจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งบาอาจารย์องค์เรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่มั่นเรียกทีที่จิตจิตเดิมนั้นเราก็ฝึกไปได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแต่ขยันไว้ชาตินี้ไม่จบก็ไปจบชาติหน้าก็ยังดีนะฝึกไป ไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าพวกเราเอาแค่ทําทานซื้อศีลทําสมาธิเอาความสุขความสงบอย่างเดียวเราก็ได้เป็นคนดีได้สุขได้สงบนะอย่างเก่งที่สุดจะเป็นพรบครหมแต่ถ้าเราเรียนให้เกิดสัญญารู้ลงมาที่กายที่ใจเกิดสัญญาตัวจริงปล่อยวางได้มัน พ, นพ้นทุกข์จริงๆนะมันพ้นทั้งวันทั้งคืนไม่มีการเข้าการออกอีกต่อไปละอย่างความสุขของสมาธิมีการเข้ามีการออก หลวงพงเคยโง่งงสุดๆมีๆอยู่รอบหนึ่งก็ภาวนาไปจิตมันว่างทัหมดเลยแล้วก็คิดว่าตรงนี้เป็นนิพพานตอนนี้ไม่ได้บวชนะภาวนาไปแล้วเออกําหนดจิต ด, ดูไปดูไปว่างว่ามันดีวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่บุญจันครั์ท่านไม่เคยรู้จักหลวงพ่อเลยหลวข้่อไปวัดสันติธรรมไปหาอาจารย์ทองอินในสิบกว่าปีมานแล้วเกือบเกือบยี่สิบ ป, ปีแ ล, ะ ล, ะ ล, ะ ล, ะละ้ว ไอ้ที่วัดสันติธรรมไปหาอาจารย์ทองยินมาเจอพระองค์หนึ่งบันดักอยู่ข้างหน้าหน้าวัดสันติธรรมบอกว่าวันนี้อาจารย์บุญจันทร์ท่านมาให้ไปหาหน่อยไม่ไปไม่รู้จักไม่รู้จักคนะก็ไปคุยไปทัางอาจารย์ทองยินจนดึกเลยนะออกมาจากบุตรีอาจารย์ทองยินนะอาการหนาวจากไนเท้านั้นยังลอยู่ออกไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยอ่อนร้อนหน่อยน้งนะ โอ้เราก็ไม่อยากไปเราไม่รู้จักทันเราดึกมากนะเอาไปก็ไปเดินตามท่านไปแต่บุญันท่านไม่สบายมาพักอยู่วัดสันติธรรมเป็นท่ า, ท า, าพันทุกข์มาักเดิไปถึงหลังวัดขึ้นบันไดไปนะท่านนั่งนอนอยู่บนตังอยู่ที่ระเบียงไม่อยู่ในห้องเลยกลุ่มโปตัวสันส่นสันส่นสนหนาวไม่สบายก็ขึ้นไปกราบท่านนะท่านกโกรมาจากท่าผมนะลุกขึ้นนั่งตักข้อของเลยานายภาวนายังไง เนี่ยผมดูไปนะครับแล้วก็ทําให้มันว่างๆโดนท่านตว่าเอานะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะปฏิบัติยังไงเราก็นึกว่าท่านฝังเราไม่รู้เรื่องะอท่านของฟังภาษาสำเนียงเราไม่ออกมั้งบรรยายเหมือนเดิมอยู่นะส่นท่านตว่ดเอาอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนถ้ายังมีสภาวะแห่งความเป็นคู่นะไม่ใช่ของจริงนะ ทำไมหลวงพ่อพูดเรื่องนี้เพราะพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยชอบไปทําจิตให้ว่างเนี่ยก็จะกําหนดความว่างคิดว่าเป็นทางลัดมันเป็นทางหลงตัางหากแหละเอาความว่างเป็นอารมณ์เพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเนี่ยท่านบอกให้เอารูปนามให้เอากายเอาใจเป็นอารมณ์นั้นในสติปัฏฐานสี่มีแต่เรื่องกายกใจโดนท่านดูเอาเลยดูอ๋อไม่ใช่แล้หลงทางละมาเล่านะเพื่อเป็นบทเรียนอนะเป็นบทเรียน เห็นพวกเราลื่นหลังๆชอบทำความว่างกันอย่าเอาแต่ความว่างนะกําหนดจิตให้ว่างมีแต่ความสุขความสบายมันตลบอยู่ตรงนั้น่ะเอาเป็นที่พึ่งเยู่ยมีเข้ามีออกมีของปลองฉะนั้นใช้ชีวิตปกตินี่แหละตือสิม้าไปก่อนะดํารงชีวิตธรรมดาของเรามีหน้าที่ทํามาหากินอะไรก็ทํามาหากินไปมีหน้าที่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงไป มีห น, น้าที่ทําอะไรก็ทําำแต่ว่าคอยใส่ใจจิตใจตัวเองไหมบ่อยๆการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราแยกส่วนการปฏิบัติออกจากการดําเนินชีวิตปกติของเราอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานในชาตินี้ไม่ได้ถ้ายังรู้สึกนะว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติถ้ารู้สึกอย่างนี้อย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงของเราได้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องมรรผลนิพพานนะยังไงก็ต้องได้งั้นต้องหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงของเราให้ได้เนเมื่อสักเดือนสองเดือนนะมีคนไปเรียนกับหลวงพ่อที่ศรีราชาศาลาหลวงพ่อใหญ่กว่านี้ทั้งเกือบเท่าวันนั้นคนเต็มยามีเด็กน่มคนหนึ่ง มาถามหลวงพ่อว่าผมอยากเดินจงกลุ่มจะเดินยังไงอยากเดินจงกลมหลวงพ่อบอกว่ากล้าออกมาเดินโชว์ไหมเดินตรงเนี้ยกล้าไหมมาเดินโชว์ตรงนี้เด็กคนนี้กล้าค่อยๆแบบคนนะแบบเดินเดินออกมาแบบออกมาหลวงพ่อบอกว่าหยุดก่อนใช้ไม่ได้แล้วทาไมขาดสติที่ขาดสติเพราตอนที่แบบคนออกมาจะมาเข้าทางจงกลุม คิดว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติคิดว่าตอนนี้ไม่ต้องปฏิบัติเดี๋ยวเอาไว้เข้าทางจงกรมก่อนค่อยปฏิบัตินี่เข้าใจผิดละแท้จริงแล้วทุกก้าวที่เดินถ้ามีความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยเดินอยู่ที่ไหนก็ตามเลยถ้ารู้สึกตัวขึ้นมานะเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดถ้าเดินกลับไปกลับมาแล้วขาดสติเรียกเดินเรื่อยเปื่อย ถ้าเดินแล้วก็เี่งเงาเี่งเง า, เงาบังคับกายบังคับใจก็เรียกเดินทรมานทรมานกายทรมานใ จ, นใจถ้าเดินแบบมีสติเรียกว่าเดินจงกรมหลวงพ่ อ, อก็ให้เดินต่อตอนนี้เขก็ไม่เดินใจลอยแนละ้วเขาเดินค่อยๆรู้สึกตัวมานะกำลังพอดีเลยตอเริ่มเข้าทางจงกรมลุกเริ่มวางฟอมแบบนักปฏิบัติวางฟอมอั้งถึง บอกนี่ผิดไปข้างเลย่ะสิ่งที่ผิดหลวงพ่อพูดบ่อยๆสุดโตมีสองงานอันนึงเผลอไปตอนเดินออกมาทีแรกเผลอไปเลรเรเฟยพอเริ่มลงมือปฏิบัติบังคับกายบังคับใจสุดโตพอเราบังคับกายบังคับใจนะกายก็นิ่งผิดความเป็นจริงจิตก็นิ่งผิดความเป็นจริงเราต้องการดูให้เห็นความจ ร, ริงต่างหากไปทําจนมันผิดความจริงแล้วเจะเอาความจริงที่ไหนไปดู งั้นเราต้องรู้ตามที่เขาเกณฑจริงๆนะอย่าไปตัดแปลงอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานไม่ไดเอาไว้ฝึกดัดแปลงแต่เอาไว้ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราพอรู้ความจริงแล้วมันจะปล่อยวางแต่ถ้าไปบังคับไปทำขรึมทื่อๆไว้นะยิ่งแก่ยิ่งเก่งนะยิ่งแก่ยิ่งเท่งเก่งใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยนะฝึกนจนกระทั่งมีความรู้สึก เ, เหมือนตัวเองเป็นต้นไม้และก้อนหิน หลาความรู้สึกฝึกอย่างนั้นน่าสงสารเหนื่อยบางคนเ้่งมากมากมา ก, มากเพ่งไปจนที่คนที่การนะต้องหอบคิ้วกันมาจะให้เราแก้ให้้วมันก็แก้ยากนะเพราะนั้นอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนรีบปฏิบัติมากนักฟังให้รู้เรื่องหน่อยแล้วค่อยลงมือทำเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรกรรมฐานเนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนานะ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 เพื่อเราจะได้เห็นความเป็นธรรมดาธรรมดานั่นแหละธรรมะนะคำเดียวกันนะธรรมดากต่ธรรมระเฉะนั้นเราเรียนจนเห็นธรรมดาของกายคือมันไม่เที่ยงมันเป็นฟุกมันเป็นก้อนผ้าเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราหรอกธรรมดาของจิตก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้นี่เรียนให้เห็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะทำวิปัสสนาอันแรกเลยต้องรู้อารมณ์ของวิปัสสนาคือกายกับใจของเรานี้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 เข้าใจความเป็นจริงของกายของอใจแล้วเกิดบิมดมุดคือปล่อยวางความยึดถือการยึดถือใจได้ไม่ใช่ผลของการทำมิปัสสนาก็คือการบังคับจิตได้บังคับจิตที่ไม่สงบให้สงบได้บังคับจิตที่ไม่ดีให้ดีได้คิดว่าเราบังคับได้การบังคับได้เนี่ยมันขัดแย้งคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่ามันบังคับไม่ได้มีพวกเราชอบวัดภาพตาดหัน คือคนที่ฝึกจิตที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงได้ทําจิตให้เที่ยงนะคือคนที่ฝึกจิตที่เป็นปุ๊บให้เป็นสุขได้นะคือคนที่บังคับจิตซึ่งเป็นอนัตตาให้บังคับได้นะแท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นแท้จริงก็คือท่านคล้อยตากความเป็นจริงนะเรียกว่าเป็นมียานอยู่ตัวหนึ่งเรียกสัจจานุโลมิกญาณก่อนที่ความรู้แจ้งอริยสัจจะเกิด มันมีญาณ อ, อยู่ตัวหนึ่งเรียกสัจจานุโรมิิยานการคล้อยตามความจริงความจริงของกายของใจมันเป็นยังไง ร, รู้ยอมรับมันยอมรับสภาพความเป็นจริงของมันได้พอยอมรับได้นะใจหมดการดิ้นรนหมดปัญหาทันทีเลยความดิ้นรนในใจจะหมดนะทันทีที่ปัญหาดับลงเนี้นิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นมาเลยมากก่านิพพานปรากฏเพะงั้นเราต้องการรู้รู้แล้วต้องได้ผลตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอก อย่างการใช้ชีวิตของเราปกติก็จะไม่ได้เพี้ยนเพี้ยนกิดปกตินะเป็นปกติธรรมดาที่สุดเลยนะอย่างตาสารีบุตรนะชอบกระโดดโลดเต้นเพล่อๆไม่ใช่ท่านเพล่อนะหมายถึงว่าเวลามีแจ่คํำต้องร่องคํำอะไรท่านก็โดดเานาะหรือมีพระอยู่องค์หนึ่งชอบเรียกคนอื่นว่าไอ้ถอยไอ้ถอยนะเป็นพระทรหารท่านก็ยังเรียกไอ้ถอยอ ย, อยู่นั้นแหละนะ นั่ไม่ได้แกล้งทำขลุ่ม น, นะพระทหารเนคนพิการไม่ใช่อย่างนั้นนะขลุ่มั น, ว, นวันไม่กระดุกกระดิกอย่างนั้นน่นมันทำด้วยตัณหาและทิฐิจริงๆแล้วไม่ยากนะไม่ยากอะไรรู้ไปอย่างที่มันเป็นมีเท่านี้แหละธรรมะพูดกี่วันก็คล้ายๆกันนะถ้าเมไร่เราแจ้งขึ้นมาแจมแจ้งอั ญ, ญาจแจมแจ้งแล้วก็ปฎิลุต มันแจนแจ้งอธิษฐานอย่างเดิมเราจะเห็นเลยว่าเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์เพราะพอเราแจนแจ้งเราจะพบว่าเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทยัยเพราะมีสมุทัยก็เกิดทุกข์เพาไม่รู้ทุกข์ก็เกิดสมุทยัยทุกข์เกิดสมุทัยเป็นธรรมที่อิงอาศัยกันนั้น ส, ส า, าระวัี่ไม่มีที่สิ้นสุดพอมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็อยากผลทุกข์ อยากทนทุกข์เราก็ยิ่งดินยิ่งดินก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่ ง, ด, งดินเพราะงั้นดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อะไร่เรารู้ความจริงเรารู้แจ้งทุกข์สมูทัยจะดับอัตโนมัติเพราะงั้นเมื่อไร่รู้ทุกข์แจ้งแจ้งสมูทัยดับอัตโนมัติแต่เดิมเราคิดว่าถ้าดับสมูทัยได้จะดับทุกข์ได้อันนี้มันถูกเหมือนกันแต่มันถูกครึ่งเดียวสมูทัยดับไป นีโรสนันเด็ดแจแต่สมุทัยดับได้เพราะว่าเรารู้ความจริงของทุกคือรู้ความจริงของกายของใจเพราะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแนละ้วเราปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้ความดิ้นรนที่ใจะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขเป็นกลุ๊บเนี่ยก็จะหายไปหมดความดิ้นรนเมื่หมดความดิ้นรนใจก็แจ้งนิโรธขึ้นมาแจ้งนิพพานแจ้งสภาวะคนกุกบดันสังสารวัตรเนี่ยมันเป็นการอิงอาศัยกัน ร, ระหว่างทุกข์กับสมุทยัย ยิงดินก็ยิงย่งฟุกยิ่งฟุกก็ยิ่งดินเนี่ยสังสรารวัตมีอยู่เท่าเนี้ยนะถ้าย่อๆลงมาเนะี่ยสังเกตดูในใจเรามันเป็นอย่างนั้นไนหะยิ่งดินยิงฟุกนะยิ่งฟุกก็ยิ่งดินเวียนอยู่เท่าเนี้ยตายแล้วตายอีกก็วนอยู่แค่นี้แหละหลายคนก็มองว่าถ้าดับตันหาจะได้มันจะได้พทุกมองได้ทันเดียวหลายคนพยายามดับตันหาด้วยการดับตันหาด้วยการทรมานตัวเองอย่างพวกนี้โกลนเนี่ย เขาก็รู้นะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุด๊บถ้าดับตัณหาได้แล้จะนิพพานเขมองได้ชั้นหนึ่งฉลาดเหมือนกันมองไปได้ชั้นหนึ่งเขาก็ดับตัณหาเช่นมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนปลื้นมันลืมไปว่าไอ้ทรงที่แกล้งมันทำนะนะั่นอะทำด้วยตัณหาและทิฏฐิเหมือนกันมันไม่ดับจริงนี่พระพุทธเจ้าฉลาดแหลมคมเรียนลงมาว่าอะไรเป็นต้นต่อของตัณหา ถ้าพอบอกความไม่รู้ทุกข์นี่แหละเป็นต้นต่อของปัญหาความไม่รู้ทุกข์นี่แหละคืออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์นี่ตัวที่หนึ่งเลยงั้นในอริยสัจสี่แต่ก่อนโลภงพ่อเคยสงสัยนวะ่าทำไมท่านเริ่มด้วยทุกข์ทำไมท่านไม่เริ่มด้วยสมุทยัยเพราะเวลาเราปฏิบัติเราเห็นสมุทัยก่อนนะมีความอยากแล้วก็มีความทุกข์ทำไมท่านไม่เจาะจงสอนมาที่ความอยากนี้ทําไมเป็นเรื่องต้นที่ทุกข์เพราะเราเข้าใจธรรมะชั้นเดียว แต่ถ้าอะไรเราเข้าใจสัรมมาแล้วว่าต้องมีทุกข์ต้อไม่รู้ทุกข์ต้ไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทยัยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์นะก็ไม่มีสมุ ท, ทัยท่านถึงสอนเริ่มจากทุกข์ก่อนทุกข์ก็คือกายกับใจนะให้เรารู้ทุกข์ท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้เพราะฉะนั้นให้เรารู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจของตัวเองพอ เ, เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจสมุทัยจะดับทันทีทันทีที่สมุทัยดับนิโรธจะแจ้งทันทีอัตโนมัติหมดเลยนะ งั้นมรรคก็คือการคอยรู้ทุกข์เอาไว้นั่นแหละรู้ทุกข์จอทั่งนิสตันหาดับนิโรธแจ้งก็ปนทุกข์ตรงนั้นแหละคำสอนของท่านสมบูรณ์นะแต่ก่อนลงข้อก่อนจะไปบวชก่อนจะปฏิบัติอะไรเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์นะชอบวิเคราะห์ทำงานวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายวิเคราะห์แผนเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่แบบนักวิเคราะห์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 อริยสัจเนี่ยย่อๆลงมาถ้าฝ่ายเกิดนะก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนั้นแ่ะยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์กยิ่งดิ้นอะเนี่ยย่อลงมาแล้วก็แค่นี้น ะ, นะแต่ถ้าจะตัดสังสารวัตรแท้ขาดธรรมะฝ่ายวิวัตรรู้ทุกข์สมุทักทยก็ถูกละนิโรธก็แจ้งงั้น่อยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้ น, นะชาตินี้ทําไม่เสร็จไปต่อชาติหน้า บางคนชาตินี้รู้สึกยากมากแต่ไม่เข้าถอยนะทําไปชาติหน้าง่ายเหมือนอย่างตาพาหิยะตาพาหิยะเนี่ยเป็นแชมป์เป็นเอตทัพคะทางตรัสรู้เร็วได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้านิดเดียวนะเป็นท่ารหัร น, นะพระเจ้าสอนลอกดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจับเป็นศักดิ์ว่าเห็นเมื่อฟังจับเป็นศัก์ว่าฟังเมื่อทราบจับเป็นศักด์ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจับเป็นศักด์ว่ารู้แจ้ง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 แต่ทําบันดไดใต่ขึ้นเขาแล้วกีดทิ้งเลยถ้าไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือเอาตัวไม่รอดนะยอมตายบนเขาแล้วตายจริงๆสลายชีวิตปฏิบัติธรรมแต่ว่าท่านไปปฏิบัติเนี่ยท่านต้องปฏิบัติถูกนะถ้าท่านไปปฏิบัติผิดมาชาตินี้ท่านก็ปฏิบัติถูกไม่เป็นนั่นแหละเะะนั้นพวเราต้องหักเจริญสติไว้หัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจบ่อยๆใจของเราชอบเผลอ ใครรู้จักเผลอไหมมีใครรู้จักไหมถ้าเด็กรุ่นเล่นรุ่นใหม่จะไม่รู้จักคําว่าเผลอรู้จักมอเมอี้ยใครรู้จักเมอเมอไหมคาว่าใจลอยนะเด็กไม่รู้จักแล้วนะคําว่าใจลอยศูนย์ไปแล้วจัดประตารูมุ่งเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักแต่ว่าเมอเมอะไรเงี้ยเมอเมอเนี่ยขาดสติละในขณะที่เราเมเออไปเราก็ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เราลืมกายลืมใจไปเองวันหนึ่งวันนึงเราเอาเวลาไปเมอเยอะ นั่นคือเราขาดสติเยอะนั่นเองขาดสติงั้นถ้าอะไรเราเหมอไปเราใจลอยไปเราเผลอไปแล้วเรารู้ทันว่ามันเหมาไปแล้วมันใจลอยไปแล้วสติจะเกิดเองนะคือเมื่อไหรมันไม่เผลอเมื่อน้มันก็รู้สึกนั่นแหละเพราะงั้นหักสังเกตความเผลอไว้ความเอามเอความใจลอยผม ก, ก็เคยเห็นอาจารย์สุรวัตรเมื่อกี้ก็เห็นแล้วต่ตอนนั่งอยู่นิดสุรวัตรเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนะเรื่องอะไรนะรู้ตื่น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 ส่วนมากเอากลับมารายงานการปฏิบัติจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่อะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจมันรู้เองสติระลึกขึ้นเองสติที่เระลึกขึ้นได้เองนี่แหละสติเปิจริงสตงสิที่จงใจกําหนดนี่สติปลอมจงใจกําหนดแล้วจิตจะแข็งแข็ง ห, หนักหนักแน่นแน่นซึมซึมทื่อเมื่อไรจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อจิตเป็นอคติสนแน่นอน ถ้าสติตัวจริงเกิดนะใจจะโปร่งโล่งเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไม่เกอดไปมีแต่ความสุขนะแค่มีสติก็มีความสุขแนละ้วมีคนมารายงานทุกวันนะว่าอยู่ๆก็มีความสุขโชยขึ้นมาโชยแผ่วๆขึ้นมะาพอรู้สึกตัวปุ๊บความสุขก็โชยขึ้นมาแะทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเนี่ยธรรมชาติของมันนะมันเป็นผู้รู้ผู้ติดผู้เบิกบาน แต่ถ้าเราเอากิเลสใจทับผมมันหากละมันเลยไม่รู้ตื่นเบิกบานมันก็เหี่ยวเยวแห้งแห้งนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซื้อ ๆ, ๆไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรารู้ทันสภาวะธรรมนะเช่นใจลอยเรารู้ว่าใจลอยใจเราเผลอไปคิดรวบเผลอไปคิดอย่างเงี้ยเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยพราเราตื่นปับนะ๊บเนี่ยใจจะโปรโลเบาทันทีนะสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานจะเกิดในอัตโนมัติเลยแต่พอตื่นขึ้นมาแป๊บหนึ่งเนะี่ย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 พวกที่เหลือรวมทั้งหลวงพ่อจะชั่วหมดเลยนึกออกไหมการที่เราหัดมีสติก็ด้วยเหตุผล น, นเดียวกันนี้แหละแต่เดิมเราไม่เคยรู้สึกตัวว่าเราหลงเราเผลือตลอดเวลาเพราะเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยแต่พอเราฝึกนะเราฟังธรรมะเราสังเกตสภาวะจิตใจเราตื่นขึ้นมาชั่วขณะตื่นแป๊บเดียวนะตื่นได้ทีเราแปบบ๊บพอเราตื่นขึ้นมาแปบบ๊บเราจะรู้เลยเราหลงมาตลอดชีวิตเลย แล้วเราฝึกต่อไปอีกเราต้อตื่นบ่อยๆตื่นขึ้นมาตื่นเป็นระยะๆะะถามว่าตื่นถาวรได้ไหมไม่ได้นะความตื่นก็ไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเลยว่รารู้สึกตัวได้ทีละแป๊บเดียวแล้วก็จิตก็จะหลงไปบ้างรู้สึกขึ้นซ้ําขึ้นมาบ้างเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะจะรู้สึกตัวรู้จะเผลอ บ, บังคับไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกอย่างเนี้ต่อไปปัญญามันเกิด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 เกิดดับเกิดดับเขรู้อย่างนี้จะเห็นเลยจิต ท, ทั้งหมดไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้ต่อไปเราจะได้ธรรมะมีเห็นความจริงของจิตกำแพงการเห็นความจริงของกายก็ดีเหมือนกันแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจิตไม่เที่ยงก็ยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่หลวงพ่อชอบมากเลยหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก้อนนะหลวงปู่ล่าปู่อาจารย์ผู้ใหญ่ของพวกเราหลายคนท่านสอนดีนะว่าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงนะใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฐิ ความจริงขนาดนี้ก็อะไรก็มันไม่เที่ยงขันห้าไม่มีเที่ยงนะขันห้ามีแต่ไม่เที่ยงแต่เราเรียนจนเห็นความไม่เที่ยงแล้วเลยปล่อยวางได้เังนนพ้นทุกข์อยู่ที่ปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกข์อยู่ที่ทําให้มันเที่ยงขอรู้เรื่องไหมฟังหลวงพ่อนะต้องฟังแบบพระนะทุติยัปีติยปีนะฟังหลายหลทีฟางครั้งหนึ่ง่าให้รู้เรื่องมีเหมือนกันแต่น้อย มีคนหนึ่งมาจากอเมริกาเขาขาไม่ค่อยดีนะตัวเขาก็ป้อมๆขาก็าไม่แข็งแรงเดินต่อแต่ต่อแต่ไปหาหลวงพ่อที่เมืองกาญจนตอนนั้นอยู่เมืองกานนุ่งกางเกงขาสั้นมานะครับพวกก็เอาเก้าอี้มาตั้งให้กลางศาลาเดินต่อแต่มาถึงนะยังไม่นั่งเก้าอี้ยกมือไหว้ทีหนึ่งชี้หน้าตัวเองบผมอ่านวิมุตติปฏิปทาที่ท่านเขียนทางอินเทอร์เน็ตอ่นนาอ น, ทนที่อเมริกา ที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือไม่ถูกแถามแบบทีเด็ดเลยถูกไม่ถูกผมก็อบอกไม่ถูกหรอกเพราะยังทําอยู่เข้าใจแล้วก็แต่จแล้ ว, ลวหมดคําถามนละ้วเข้าใจไหม <c oughs> ไม่เข้าใจคือเรายังทําอยู่ส่วนมากเรายังทำํำเราคิดว่าการปฏิบัติแปลว่าทําการปฏิบัติจริงๆแปลว่าเข้าไปรู้เฉพาะเไม่ได้แปลว่าทํา ปฏิวัติเฉพาะก็ะไปเห็นเฉพาะหน้าก็าไปรู้เฉพาะหน้ามีคนไทยไปยืมคำว่าปฏิบัติเมาแปลว่าทําก็เลยทํากันใหญ่เลยจริงเข้าไปรู้เฉพาะหน้ารู้ลงปัจจุบันไปรู้กายลงเฉพาะหน้ารู้ใจลงเฉพาะหน้าแต่รู้เฉพาะรู้ลงไปในที่สุดปัญญามันก็เกิดรู้บ่อยๆมันก็เข้าใจสิแต่ส่วนมากเราชอบทำํำคือไปบังคับกายบังคับใจให้แข็ ง, ขง อัตถตาทัานสอนดีนะบอกว่าที่ทํำทั้งหลายเวลาปฏิบัตินทําอัตตะกิลมถานุโยคบังคับตัวเองเท่านั้ น, นรู้สึกไหมเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจมีแค่นั้นแหละไม่มีเกินนั้นไปได้หรอกนะ <S <S และ้วก็ผิดซ้ํซากวนเวียนกันอย่างนี้เหมือนบรรพบุรุษเราที่ผิดมาแล้วเป็นพันพันปีเพราะตําราคำเพียนี้แต่งมาเป็นพันพันป<แล>ีแล้วแล้วก็ผิดเหมือนเดิมนะธรรมะ ม, มันเก่าเก่ากิเลสก็เก่าเก่า ธรรมะก็ขอเก่าแล้วก็โดนหลอกอย่างเก่านั่นแหละแล้วลถ้าเรียนธรรมะแบบเก่าๆแล้วก็โดนหลอกต่อไปถ้าเรียนธรรมะแล้วเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจจะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็จะพ้นได้คอยรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจสําคัญนะแพระพุทธเจ้าท่านถึงขนาดบอกว่าถ้าตัวท่านได้รู้แจ้งอริยสัจมีวนรอบสามมีปริวัติสิบสองจะไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้า คือถ้าท่านไม่รู้ทุกสมูทัยนิโรธมรรคไม่รู้ว่าทุกเนี่ยต้องรู้สมูทยัยต้องละ น, นิโรธทำให้แจ้งมรทําให้เจริญไม่รู้ว่าท่านได้รู้ทุกแล้วได้ละสมูทัยแล้วทํานิโรธแจ้งแล้วทำมรให้สมบูรณ์แล้วรวมทั้งหมดเป็นสิบสอหัวข้อถ้าไม่มี12หัวข้อนี้ท่านไม่บอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้านั่นอริยรสัจสําคัญที่สุดนะหัวใจของธรรมะเนะลยครอบคลุมธรรมะทั้งหมดที่หทเหลือ ทั้งฝ่ายเกิดและฝ่าดับสามเดือนสุดท้ายก่อนปรินิพานพรนะพุเทธเจ้าเทศอริยสัจทุกว mm ัน hmm. ใครมีหนังสือสมเดือนก่อนปรินิพานหลวงพ่อได้กาวว่าแจากที่สาราหลงขินนี้ประจําอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีคนแจกเดี๋ยวก็มีคนแจกนะบางคนมีทั้งหลายเล่มแล้วก็ยังชอบเก็บไว้นะนั mm ่น hmm. มีเยอะนะก็แจกคนอื่นเขาบ้างนะหนัง mm hmm. สือลงพ้อเหมือนกันบางคนมีทุกเวอร์ชั่นเลย เล่นเดียวกันนะมีหลายแบบหลายปกงั้นเก็บไปทำอะไรแจกแจกก็ไปบ้างนะงันอริยสัจสำคัญตัวที่หนึ่งรู้ทุกรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นนะมีเท่านี้ธรรมะมีเท่านี้นะะใครจะคุยอะไรเชิญหรือใครจะกลับบ้านก็เชิญผมพ่อเคยได้ข่าวว่าสาราลูงินเนี่ยเขาฟังเทศเป็น20นาทีส่วนมาก ว่าไงนะโยมทำไมนะโยมไม่แจมแจ้งอาภูส่วนเรือวิธีจะแจมแจ้งอาภูส่วนแจแ จ, แจ้งอาภูส่วนนะต้องคอยเห็นตัวจริงของมันคอยดูจากของจริงก็ได้ไม่ต้องถามอาตมาหรอกนะดูจากของจริง อย่างความโลภความโกรธความหลงขุดขึ้นมายมไปดูกันนะอย่างเวลาความโกรธขุดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันว่าอ้อโกรธแล้วพอเราเห็นความโกรธเกิดหลายๆลทีเราจะเข้าใจนะความโกรธมีลักษณะเป็นอย่างนี้เองเกิดมาเพราะเหตุนี้เกิดมาแล้วมีผลเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจกุศลทีละตัวทีละตัวนะเวลากุศลเกิดเราก็คอยดูไปเราก็จะเข้าใจกุศลทีละตัวทีละตัวตามรู้ตามดูมากๆเข้าเราก็จะพบเลย กูสนเกิดแล้วก็ดับอากูศนเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าเบื้องต้นนะต้องมีศีลก่อนเราอย่าทําตามอากูศนสับหัดมีศีลหัดทํากูสนทําทานศีลสมาธิปัญญาอะไรนี้ทำไปเรื่อยๆเจนวันหนึงปัญญามันแจ้งทั้งกูศนทั้งอากูสนเรื่องของไม่เที่ยงของทนอยู่ไม่ได้ใจจะปล่อยนะมันไปได้โลกุตัรักษณ์ูสนแทนกูสนเหมือนกันนะแต่เป็นโลกุตัรักษณ์ูสน แต่จิตใจของคนเราเนี่ยมันจะปรุงอคูสบ้างปรุงอาคูสนบ้างไม่รู้จักจบหรอกโดยเฉพาะอาคูสเกิดบ่อยอาคูสนที่เกิดบ่อยคือโมหะโมหะที่เกิดบ่อยก็คือความฟุ้งซ่านของจิตจิตเราจะคอยฟุ้งไปด้วยอคอยคิดโน่นคิดนี่ลืมเนื้อลืมตัวตัวนี้เกิดบ่อยแล้วก็คอยหัดรู้ไว้ใจเราเผลอไปแล้วไปรู้นะใจเราฟุ้งไปแล้วไปรู้รู้บ่อยๆอาคูสนประเภทโมหะเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุด คอดูจากของจริงก็แล้วกันเนาะให้บรรยายหลวพ่อก ja ็บรรยายไม่เป็นหรอกต้องถามพรปฏิยักสั้นเนาะหล่อาจารย์นะจะขยอนามเป็นข้อพ่อเป็นขันธ์ในควัมคิดอาจารเลยเคยบอกว่าเวลารู้ลูกตารูใจบางครั้งเนี่ยที่เราพูดอยู่นี่มันเป็นจยโท เรื <ư> ่าเือนย่การใาพัน uh ิีอ้นเราก็เไปว่าเะทศกี่ประเไหนแล้วเราก็เล้ก็เรารู้อยาก่อแยกนี้ใหท่าคด่ว่าหลวงพ่อไม่รู้ก็้องถาหวงมที่เขาถูรู้กังในหมากรุเป็นภาษางแล้วรู้กับเพ่งนะเป็นสภาวธรรมที่ถ้าเรียนทีละคนสองคนนี่เรียนง่ายนะเราลองหักเพ่งดูโยมหลวงเพ่งหัวไม่มือตัวเองลองดูซิ เอาหัวไม่มือเป่งแล้วเพ่งอยู่เพ่งให้ใจจดจ่อเข้าไปเลยลืมหลงพ่อไปเลยให้ใจไปเกาะนิ่งๆอยู่ถ้าใจเราไหลเข้าไปแช่นิ่งๆอยู่เนี่ยใจอย่านิ่งๆนะคื้อๆนะอันนี้คือการเพ่งส่วนการรู้เนี่ยมันสักว่ารู้เหมือนเราดูอยู่ห่างๆคือการรู้กับการเพ่งเนี่ยมันผิดกันตั้งแต่จุดตั้งต้นแหละการรู้เนี่ยสติเกิดขึ้นเองไม่ได้จงใจการเพ่งเนี่ยมีโลภะเจสนาเป็นจุดตั้งต้น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 เพราะงั้นมันขิดกันตั้งแต่จุดตั้งต้นยกให้ดูเอานะคือจำนวนพวกเราเยอะเกินกวาจะเรียนสภาวะอีละคนแล้วเวลาติดด่งเรานี้นะครับว่าถ้าเรามองติ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราคิดว่าเป็นนิสัยยกสังเกตนิดนึงถ้าเรารู้ตัวถูก ต, ต้องจิตจะต้องเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลนเนี่ย น, นจะมีลักษณะอันหนึ่งเขาเรียกว่าละหุตาเบา ถ้าเราไปดูอะไรอันหนึ่งแล้วจิตเราหนักหนักเงี้ยอกุศนแน่นอนอันนี้ผิดแน่นอ น, นจิตที่เป็นกูสนมีมุตุตานุ่มนวลถ้าเราไปดูอารมณันหนึ่งแล้วจิตไม่นุ่มนวลแต่แข็งแขงขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่รู้แล้วล่ ะ, ะเป็นอคูสนกันแล้วจิตที่เป็นกุศนเนี่ยมีกรรมัญญตาควรแก่การงานไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบ ง, งำถ้าขณะนั้นเรายังอยากรู้อยากเห็นอยากปฏิบัติอยู่เนี่ยังถูกกิเลสครอบ ง, งําอยู่ จิตที่เป็นกุศลมีปากุณตาตล่องแคล่ว่องไวถ้าจิตเราซึมซึมทื่อๆ น, น, นะเป็นอกุศลแน่นอนยกสังเกตที่สภาวะที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลคือมันมีเครื่องี่สูจนได้นะพ่อพ่อให้ว่ารำมาเรียนรู้ได้เลือกุณภาพคุณภาพในในตั้งแต่เราเรยนร้ต่ใเรียนใช่ใ ช, ใช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 มันมีวิธีเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าการภาวนานะการภาวนาคือการเข้าไปเประจักเข้าไปสังเกตการเข้าไปเห็นสภาวะอันนั้นจริงๆวิยาศาสตร์ก็ใช้อ น, นี้นะการภาวนาเนี่ยหมายถึงการที่เราเข้าไปเผชิญกับสภาวะการจริงๆเช่นเราเข้าไปรู้ร่างกายจริงๆรู้จิตใจของเราจริงๆคอยรู้ของจริงรู้มากเข้ามากเข้าปัญญามันเกิดแต่ว่าขณะที่เราไปรู้กายขณะที่เราไปรู้ใจเนี่ย อย่าเาความคิดเข้าไปใส่มันจะเกิดไบแอเหมือนเราจะทําวิจัยอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องขอดถอนไบแอสักก่อนเราไปสังเกตปรากฏการณ์จริงๆเนี่ยภาวนาคือการเข้าไปสังเกตปรากฏการณ์จริงของกายของใจแต่บอกอย่าไปหลงอยู่ในความคิดนะส่วนที่บอกว่าให้ดูรู้ความรู้สึกนั้นนะหมายถึงการรู้นา ม, มาธรรมความรู้สึกโลภรู้สึกโกรธรู้สึกหลงให้เรารู้ความรู้สึกของเราจริงๆนะไม่ใช่ไปคิดเอาว่าตอนนี้โกรธหรือไม่โกรธ คามรู้สึกตรวจขึ้นมาเราต้องคอยรู้เอารู้สึกเอาความรู้สึกตรงนั้มันไม่รู้ได้ใดว่าเปนจริงแท้มันไม่หลอกหมันหลอกหรือมันจริงก็มันก็หลอกด้วยกันทั้งหมดเราจะเรียนจนเห็นว่าของจริงไม่มีอะไรทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้หนหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมัยเราภาว น, นาอยู่อยู่ๆเราเห็นเทว ด, ดามานั่งเป็นแถวเลยถ้าเราสงสัยว่าเทว ด, ดาจริงหรือเทว ด, ดาหลอมนี่เราถูกหลอกแล้ แต่จริงเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมไม่มีความสําคัญอะไรในขณะนั้นก็คือรูปบางอย่างปรากฏขึ้นมาต่อไปรูปอันนั้นก็หายไปหรือว่าถ้าเราเห็นเทวดาแล้วใจเกิดยินดีครูเก่งขึ้นมานะรู้ทันครูเก่งนี้ก็ดับไปของจริงกับของปลอมพอๆกัน แ, นและวเราคอยดูเข้ามาที่ใจเราเพื่อให้เห็นว่าทุกสิก่งที่ผ่านเข้ามาล้วนแต่ดับสิ้นต้องกับแค่นี้ไม่ได้ต้องการความฉลาดรอบรู้อะไร ไม่ได้มีสาระอ่าไม่ได้มีอะไรเราต้องการให้เห็นว่ามันไม่มีสาระมันไม่มีแก่นแท้ถูกต้องนะเราต้องการเห็นหน้ากายมันไม่มีแก่นแท้ถูกต้องเไม่ได้เรียนเพื่อจะเอานะเรียนแล้วเราวงได้ฉลาดเนาะรู้ว่าเรียนแล้วเห็นมันไม่มีแก่นกาเรียนง่าที่เอ่ที่ว่า ให้เราทำอ่างเดิมหรถ้าปฏิบัติอย่างไรต้องให้เาปฏิบัติเดิมแต่ีนี้แทางปฏิบัติที่ที่สุขข้อสุขข้อเองหรือว่าให้เราให้เรารู้แ ท, น ท, ท, น, ทนที่เราจะไปเ่งีนี้นนที่เราเปฏิบัติเดิมเนี่ยคิดว่าเราจะบัตการเี่งเราจะต้องเปลี่ยนใงกรีครับคือตัวอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวสาคัญเท่าไหร่หรอกนะ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 จิตไปเพ้งลมหายใจเรารู้ทันจิตมีปีติมีสุขเราก็คอยรู้ไปหัดรู้สภาวะนะการหัดรู้สภาวะนี่ทำกรรมาฐานอื่นๆก็ทําได้เช่นเราดูท้องเอายุบแล้วจิตหนีไปเราก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นภูสนใจภูสนใก็รู้ทันหลวงพ่อที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากให้พวกเราทะเลาะกันระหว่างสำนักนะสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนคือถ้าทําถูกแล้วมันไปด้วยกันได้สติที่เกิดขึ้นก็เป็นสติอย่างเดียวกัน ปัญญาที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญญาอันเดียวกันปัญญาก็คือรู้ความพิมของกายของใจนี่แหละเพนั้นเบื้องต้นใครถนัดอะไรก็ทาอันนั้นแต่ถ้ากรรมฐานเดิมที่ทาอยู่อึดอัดนะทำแล้วอึดอัดแสดงว่าไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับจิตลองหากรรมฐานอื่นดูอยากเรียนว่อค่ะาเรียนที่มีปฏิบัติคือ้วจะมีบองพรว่ามีสติในที่ทางหตลอดเวลา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 แต่ว่าจะดูเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยอยู่ที่อีกเงื่อนไขหนึ่งสติจะเกิดหรือไม่เกิดสติไม่ได้เกิดจากสมถะนะสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราทำสมถะเนี่ยเราทำได้แบบสองแบบมีสอแบบอันหนึ่งสมม่าเราหายใจอยู่แล้วจิตใจเราฟุ้งต้านเราก็ปากไปจับไว้ที่ลมหายใจทำสมถะให้สบายใจนะอีกอันหนึ่งเรารู้ลมหายใจไปแล้วเราหัดสังเกตสภาวะไป เช่นหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดแลนะ้รู้ถนะันนะแล้วจิตเป็นคิดหายใจไปแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจแล้วจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยฝึกอย่างนี้ฝึกรู้สภาวะพอเรารู้สภาวะมากๆแล้วสติในชีวิตประจําวันจะเกิดขึ้นนะเพราะสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้นะคนละอันกันนะสติไม่ได้เกิดจากสมาธิ แต่ว่าจิตที่มีสัมมาสมาธินี่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยมันเกื้อคุลเป็นคนละตัวกันคือทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยมันเริ่มเจริญวิปัสสนาได้แล้วมันเริ่มเลยเช่นเราใจลอยอยู่ ใจลอยมาสามชั่วโมงแล้วเกิดเราลึกขึ้นได้มีสติขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าความเผลอนั้นดับไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแทนนี่ความเผลอไม่เที่ยงแต่เห็นทีแรกใจมันยังไม่สรุปหรอกต้องเห็นบ่อยๆวันนึงก็ใจมันสรุปทุกอย่างไม่เที่ยง สัญญาสัญญาเนี่ยท่านเบนตเอาไว้ก่อนเป็นของที่ดูยากที่สุดนะเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยจะไปอยู่ในธรรมานุปัศนาตัวนี้เล่าไปก่อนบางคนไม่เข้าใจมันจะแทกแต่งมันนะเพี้ยนสัญญาเพี้ยนไปเลยอย่างสังขารเนี่ยดูง่ายสังขารเช่นความรู้สึกโกรธเนี่ยความรู้สึกโกรดของคุณเที่ยงไหม เป็นหนวดตลอดชีวิตไหมไม่มีนะเนี่ยคือความไม่เที่ยงของเขาใช่ใช่นะดูจิตจริงๆคือดูจิตตังขานเพราะนะงั้นในจิตในจิตตานุปสัสสนานนะั่นจะพูดถึงจิตที่มีราคาจิตไม่มีราคาจิตที่ประกอบจากสังขารทั้งหมดเลยแต่พอถึงธรรมานุปสัสสนาเนี่ยถ้าเรียนขันห้าถ้าเรียนถึงวิญญาณขัน อันนี้ไม่ใช่จิตที่ประกอบด้วยต่งางๆนะจะเป็นธรรมชาติของจิตจริงๆที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิงใจใจนั้นการดูจิตเราดูได้สองงานอันห น, นึ่งดูสังขารดูจิตต่อสังขารเช่นเรารู้ทันนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะอันนี้เป็นดูเวทนาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วอันนี้ดูสังขารอีกอย่างหนึ่งเราเห็นจิตเกิดขึ้นทางตาดับทางตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจดับที่ใจ อันนี้ไปอยู่ในธรร ม, มานุปัสสนาคนละมวลกันอันนี้ดูลําบากนิดหนึง่งวิญญาณก็คือจิตที่เกิดดับตทางตาทางหูนี่แหละวิญญาณไม่ใช่ผีนะมันวิญญาณหมายถึงความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นอย่ า, างเงี้ยดูดูอย่างนี้สิอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหม เดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึง่งนะเสร็จแล้วหน้าหลวงพ่อก็เรือนเรือนแต่ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดฟังนิดเดียวก็ไปคิดดวออกไหมฟังเราคิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกขอย่างว่าฟังไปคิดไปนะนี่แหละคือจิตที่เกิดทางตาจิตที่เกิดทางหูจิตที่เกิดทางใจ่นะเป็นจิตที่เกิดทางตานะเกิดทางลาักษณะจิตเดียวแวบบเดียวนะถ้าคนไหนมีสติจริงๆเนะี่ยหลวงพ่อจะท้าให้มองหน้าหลวงพ่อนะ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 เป็นธรรมานุปัสสนาในการดูตัวสภาวะธรรมตรงๆแต่จิตตานุปัสสนาง่ายกว่า น, นั้นหน่อยจิตมีราคะจิตมีโทสะจริงก็คือดูเจตสิกมากกว่าดูจิตดูง่ายกว่าังั้นท่านถึงสอนหอกว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานของพวกอินทรีย์ไม่แก่กล้าธรรมานุปัสสนาเป็นของพวกอินทรีย์แก่กล้าพวกปัญญากล้า กายานุปัสสนาเป็นของพวกไม่แก่กลา้าเวทนานุปัสสนาเหมาะกับผู้มีปัญญาแก่กลา้าก็ยากกว่ากั น, ปกกนปเป็นคู่กู้ยปฏิบัติโดยดูพองนะคะพองยุบแล้วก็เสิมปีติแต่พอตอนหลังเริู่สภาวะค่ะก็ดูแต่ว่าปติยังไม่ค่อยดีต้องก็ปีติมันเกิดได้สองงานนะเกิดจากสมาธิอันหนึ่ง อีกงานนึงมันมีปัญญาขึ้นมามันก็มีปีติได้นะเพราะฉะนั้นปีติในพุทธชงเนี่ยป็นปีติที่เกิดจากเรามีปัญญาส่วนปีติจากการเพ่งเกิดจากสมาธิเพราะฉะั้นแต่เดิมปฏิบัติเราเพ่งเงาเพ่งเงาเพ่งท้องเนะีเพ่งเท้าเพ่งท้องจิตเกิดปีติขึ้นมาอันนั้นปีตก็ถูกต้องแต่พอเรามาหัดเจริญสติเราไม่ได้เพ่งนะปีติก็เกิดน้อยแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆนะ เราไม่ได้ฝึกเอาปีติหรอกเราฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามจกนกระทั่งใจเป็นกลางต่อรูปนามใจที่เป็นกลางต่อรูปต่อนามนี่เรียกว่ามันมีปัญญาในระดับที่เรียกสังขารู้เบกขาใหญ่เขาเป็นกลางนะเขาเป็นกลางเขาก็ไม่ดิ้นรนจิตใจที่ไม่ดิ้นรนเนี่ยก็พ้นความปรุงแต่งเข้าไปสัมผัสมรรคผลนิพพานนั่นและเขารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจจะมีปีติหรือไม่มีปีติช่างมันเถอะไม่ใช่ตัวสําคัญ แต่ว่าจิตใจตอนนี้มันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วดีแล้วคือมีปัญหาว่ามีของเล่นบ้างมีปัญหาของข้าวบ้าง่็เลยอยากอยากจะทราบว่าอยากจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นก็ภาวนารู้สึกตัวไปนะวันใดจิตมันมีกำลังพอเนี่ยบางทีก็หายป่วยได้นะส่วนปีติคล้ายๆยาแก้ปวดนะหอเลี้ยงไวช่วงขณะ ก็ามเกีกับเรื่องเรียนว่าการเทรไมแล้วถาเราเาไม่ถูกต้องแล้วถ้าขอให้เบาเปเบาเกิออเบาผิดไปผิดนะคือ่างนี้ฟังนิดหนึ่งนะถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมมทื่อๆแล้วก็ผิดแน่นอนเพราะว่าจิตที่หนักแน่นแข็งซึมซึ่งเกิดจากอกุศล แต่ถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตเบาจิตมีความสุขเนี่ยไม่แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล น, นะตอนนี้ไม่แน่นะไม้หนักหนักนะอกุศลไม่แน่แต่เบาเนี่ยไม่แน่ว่าเป็นกุศลไม่เท่ากันนะสองขนะ้าง เ, เ, เ, เ, เ, เ, เอออันนั้นมันเป็นปนะีตินะเกิดจากสมาธิก็เกินเกินกว่าเรื่องที่เราใช้ทํามิปัสนา แต่จะทํำวิปัสสนาก็ได้นะเอาองค์ชานนั่นแหละมาทํำวิปัสสนาสังเกตไหมปิติอันนั้นเกิดขึ้นก็อยู่ช่วคราวที่ตัวเราลอยตัวเราเบาตัวเราโตขึ้นก็อยู่ช่วคราวแล้วก็ดับไปเราเอาองค์ชานนี่แหละมามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ เอาใช้เมยไม่ดีนะเช้เมยไม่ดีจิตใจที่เป็นกุศลจริงๆเนี่ยจะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานไม่ไม่ซึมๆึไม่เฉยเฉย น, นะในสมัยพุทธกาลมีคนเข้าไปวัดเชตวันแล้วก็ไปชมกลวพระพุทธเจา้าอกหน้าอา จ, จารย์คิกสูของพระองค์เนี่ยสงบแต่ร่าเริงท่านไม่ได้บอกว่าคลิกสูทั้งหลายสงบซึมๆึนะ ถ้าถ้าใจมันคลุ้งซานนะก็ทําได้หลายแบบแบบที่หนึ่งทำด้วยวิปัสสนาเห็นว่าความคลุ้งซานก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอันนี้พอทําได้ไหมแต่ถ้าเล่นสมาธิมาจะมองอย่างนี้ได้อันแบบที่สองมันคุ้งมากนะทําอะไรไม่ถูกทําสมถะนะักปฏิบัติอย่าทิ้งสมถะนะกันเป็น สมาธิให้จิตใจตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตใจตั้งมั่นเราก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยจเจริญปัญญาต่อได้ล้วดัะนั้นสมาธิวิปัสสนาไป็ขอควรทำบางคนนึกว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมาธไม่ใช่อะไรที่ไม่ค่อยพู่เรื่องสมาธิเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ทําสมาธอยู่แล้วหลวงพ่อเองทาสมาธิตั้งแต่เจ็ดขวบนะทําสมาธิล้วนๆถึงยี่สิบสองปี คือเมื่อเรานนะครับการแล้วมาธิของรได้ประมาณคืออากจารู้ต right ัวเระเดหาแล้วก็นิ่งไปเลยน่ย่อมากใช่ไดนิ่งไปเลยเหรอครับคือตอน้เลยเ่เากรู้มากตนเเราังงอี่กันชิต่อูแต่ถ้าเราเคยะมาแลรก็จะรู้ว่าแอนต่าแวต่างัอยู่ที่ตัพะานก็จะต่งั อ่ออันนั้นไม่ใช่ว่าเราจเจริญนิพพานาอยู่เราเราไปเพ่งกายอยู่ถ้าเราเพ่งกายอยู่ก็เกิดอาการอย่างที่คุณบอกแต่ถ้าเราจะหากรู้สภาวะนะเราก็ต้องสออเม า, เ อ, าอย่างตกค่ำเราไหวพระสวดมนมต์ทำสมาธิทามสมาธิไม่ได้ทำเอาให้สงบแต่ทาส ม, มาธิเพื่อหากสังเกตสภาวะเช่นใจเราแอบไปคิดเราก็รู้ใจเราไปเพ่งเราก็รู้ใจเราเป็นยังไงคอยรู้เรื่อย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 สัมมาสมาธินี่เป็นความตั้งมั่นของจิตจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแต่พอมันมีความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ก็เกิดสัญญาส่วนตัวสตินี่เป็นตัวระลึกได้ร่างกายเคลื่อนไหวมันระลึกได้หรือจิตใจเคลื่อนไหวมันระลึกได้เช่นใจรลอยไปใจเราลอยไปนี่เรียกขัดส ต, ติพอระลึกได้ว่าเมื่อกี้ใจลอยตรงนี้มีสติ ทันทีที่สัมมาสติเกิดนะสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นใจมันจะอยู่กับเนื้อตั ว, ตวไม่ลอยไปละคิตใจพอมันอยู่กับเนื้อตั ว, ตวนะมันก็เพื่อให้เกิดปัญญาทําให้เห็นความจริงของกายของใจเนี่ยสติสมาธิปัญญามันทํางานด้วยกันสติอันะเดียวเนี่ยเกิดได้มีสติอย่างเดียวได้ไม่มีปัญญาได้แต่สมาธิต้องประกอบกับจิตผุ้หลงนะจิตอัคคุสุก็มีสมาธิ ถ้าสัมมาสติเกิดสมาธิที่เกิดก็เป็นสัมมาสมาธิไม่รอกค่้าคนที่มสัมมาแล้วเป็นสัไม่มีนะเพราะว่าสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นสังขาระดับยังเป็นโลกีธรรมเกิดระดับนะเพราะฉะนั้นตูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะถึงท่านแก่ขนาดไหนท่านก็ไม่ละทิ้งการปฏิบัติ ท่านอย่างนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเก็ดมีลูกศิษย์ไปถามว่าทำไมท่านต้องทำทัานหมดกิเลสแล้วท่านก็ทำเป็นเครื่องอยู่มันของเสื่อมต้องซ้อมเอาไว้เป็นั้ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ขี้เกียจเวลาไปอยู่ใกล้ๆนะรุ่งใจเลยหลวงพ่อไปไปอยู่ใกล้กับหลกงปูเทศท่านให้อยู่ตุติศิษย์เก่าขอท่านตุติศิษเก่ากับปูติใหม่มันหางกันแค่หน้าต่างเท่านั้นเอง โอท่านเดินท่านคืนเลยนะเราอยากจะนอนจะแย่เลยแล้วท่านก็เดินเดินเดินนะเท่าเดินก็ไม่ค่อยไหวละอายุเยอะก็ อ, อุตส่าห์เดินเดินจนดึกเลยห้าทุมท่านนอนแต่แล้วเราก็นอนบ้างนะปีหนึ่งกว่ากวาท่านลุกเดินอีกแล้วเราก็รอเมื่อไหร่ท่านจะนอนท่านก็ยังทำนะไม่ขี้เกียจหรอกสมาธิก็ทำ